คนเราเนี่ยในการดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยหากว่าในจิตใจของเราเนี่ยมันขาดสิ่งที่หล่อเลี้ยง ค, คือความชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นปิติไปเนี่ย ค, คือการเจริญเติบโตรหรือว่าไม่ว่าเราจะเจริญทางใดก็ตามเนี่ยความชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นในจิตไม่มีเนี่ยมันก็ทําให้คนเนี่ยมันมีอารมณ์ที่ผันผวนได้ง่ายแล้วก็เวลาจะเกิดอารมณ์อะไรก็แล้วแต่มันจะถึงที่สุดของอารมณ์นั้นมันก่อให้เกิดความทุกข์ แล้วก็เรื่องราวต่างๆดังนั้นมันก็จะเป็นบาดแผลในใจต่อไปแต่ถ้าเกิดความชุ่มฉ่าในในจิตของเราที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้เรื่องหลายอย่างที่ว่าจากร้ายมากเป็นร้ายน้อยครับนะคะที่ร้ายน้อยก็อาจจะมันเทาความร้ายไปเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นรายการที่โดยเฉพาะวันพระธาตุวันศุกร์ก่อนสุดสัปดาห์ที่เราจะแยกย้ายกันไปเที่ยวไปกินไปนอนไปอยู่กับเพื่อนเนี่นะคะครับไอ้ก็อยากจะฝากวันคดี เก่าแก่ที่หรือว่าในทางพุทธศาสนาก็ดีนะหรือศาสนาใดก็ตามที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ให้ความชุ่มฉ่าชุ่มชื่นกับความคิดให้ขอ้ขอคิดกับเราให้ข้อคิดกับเรานะคะคซึ่งในเรื่องของสิงหาสนะทวาตริงสติกาหรือเรื่องของวิก ร, รมาจริศเนี่ยเป็นเรื่องสิงเป็นเรื่องอาสนะซึ่งพระเจ้าโพชานี่ได้ มีมาเรียกว่าเก็บได้หรือว่าขุดค้นออกมาได้ซึ่งเป็นพระแทน่นพระราชอาส<า>น์นพระราชอาสน์ของท้าววิกรมรรทิศนะที่ได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรมอย่างยิ่งนะคะคแล้วก็เรื่องราวตุ๊กตา12ตัวกับพระแท่นอันนี้ซึ่งหวังเริงราาอยู่รอบๆเนี่ยนะคะที่ขอนที่จะก้าวเนี่ยเป็นตุ๊กตา32ตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่พระอินทร์กำหนดว่านี่คือคุณธรรมของวิกรมรรมทิ์ผู้ที่จะนั่งแท่น หรือพื่อานอันนี้ได้จะต้องมีคุณธรรมครบ32ประการครับนะคะซึ่งข้อแรกอย่างน้อยเนี่ยต้องได้ศสนาบดีที่ดีก่อนล่ะคนเราจะมีคุณธรรมหรือว่าจะดีแค่ไหนเหนืยแค่ไหนต้องมีผู้สนับสนุนต้องต้องมีแหวนแหวนนี่นะตัวเรือนที่เป็นเพชรเป็นทองทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีตัวเรือนที่เรารับเพราะฉะนั้นผู้บริหารผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่จะเป็นใหญ่ได้เนี่ยตัวเรือนสคนรอบตัวนะคะแม้แต่ท่านทํากิจการเนี่ยท่านเป็น ผู้บริหารท่านก็จะต้องมีรองมือรองดีๆว่าคนที่ทำเนี่ยดีๆเปรียบประดุจมากษัตริย์มีมหาเสนาหมดีเลคะดีๆที่ได้เล่าไ ป, ป<ล>าแรกเลยนะคะคแล้วก็ข้อต่อมาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของการที่ทําอะไรด้วยความเมตตานะวิกราทิธเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ทานเห็นคนยากจนที่ไหนเนี่ยนะคะก็เผื่อแผ่ความสุขไให้กับคนทั่วทั้งหน้าคือไปคลองใจคนด้วยการให้ในสิ่งที่ตนเองเนี่ยมีให้กับคนที่ขาดแคลน นะคะตุ๊กตาตัวที่2ก็เป็นเรื่องของการทำอะไรทําด้วยใจนะคะที่บอกว่าในพิธียันยะบูชาเนี่ยพราหมณ์เนี่ยบูชามาตั้งร้อยปีพระแม่พระอุมาเทวีเนี่ยไม่ได้เสด็จลงมาครับนะคะแต่ว่าท้าวิกรรมราทิติเนี่ยไปในวันเดียวเนี่ยหลังจากที่บูชาแล้วไม่มาเนี่ยก็จะตัดศีษาถวายอันนี้เรียกบูชาด้วยศรัทธาซึ่งพระแม่เองเนี่ยก็ได้บอกว่าบุคคลทั้งหลายเนี่ย ผู้ที่กระทําบัตรเพลมาเป็นร้อยปีแต่หัวใจที่ว่างเปล่าเพียงแต่เอามือประสานกันเนี่ยไม่มีใจที่เปลี่ยนด้วยศรัทธานเนี่ยก็ก็จะไม่ได้อะไรไม่ได้ผลแห่งความศรัทธา น, นั้น ใ, ในขณะที่ท้พิกรมาทิศเนี่ยคือคือทําอะไรเนี่ยทาด้วยใจด้วยศรัทธา น, นะคะดังนั้นเนี่ยบนวิเศษก็ดีหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพร า, มราหม์เทวดามอดูโอสถหรืออาจารย์หรือใครกแ็แล้วแต่เนี่ย จะมีความสําเร็จในการบูชาใดๆเนี่ยนะขึ้นอยู่กับศรัทธาที่ใจเนี่ยอันเป็นเป็นใหญ่ที่สุดนะคะก็อันนี้ก็เป็นตุ๊กตาตัวที่สองว่าถ้าวิกรมาที่จะทําอะไรเนี่ยทําด้วยความจริงใจไม่ได้เสียแซงนะคะผลที่เกิดขึ้นจึงรุ่งเร็ ว, รวรแม้เราทําอะไรเนี่ยเราจะอธิษฐานจิตอธิษฐานบา ร, รมีหรือจะทำอะไรเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าทำด้วยความตั้งใจ จ, งใจ้วยศรัทธาและจริงใจเนี่ยนะคะคก็จะมีผลสําเร็จอื ซึ่งอันนี้จะตรงกับพุทธศาสนาของเราคือฉันทะและวิริยะครนะจิตตะใช้ปัญญาพิ จ, พจารณาเอาใจก็ไปใส่ความจริงใจความตั้งมั่นนะคะก็จะนําความสําเร็จมาสู่บุคคลนั้นวันนี้ก็จะเป็นเรื่องตุ๊กตาตัวที่3ตัวที่สนะฮะนะคะซึ่งตอนที่จะก้าวขึ้นไปเนี่ยนะคะตุะ๊กตาก็บอกว่าก่อนที่จะก้าวขึ้นไปนะก็ขอฟังอีกสักเรื่องก่อนไหมว่าท่านเนี่ย มีคุณธรรมพอที่จะก้าวขึ้นไปในระดับที่สามหรือเปล่าครับนะคะก็พนะูถ้าโพชาท่านจะต้องก้าวอยู่แล้วท่านกษัต ร, ริย์โพชะก็ ต, ตั้งใจฟังเลยไหมะฮ ะ, ะตั้งใจฟังเลยค่ะตุกตะก็เริ่มนิทานว่าในอดีตการที่จๆนิทานนี่ก็เป็นเรื่องของเท้า วิกรามาทิตยใน1000ปีที่แล้วนั่นเองสรุปแล้วเนี่ยเรื่องนี้วิกวิกรมจริตเนี่ ย, กาา เ, ยเกิดขึ้นหลังจากที่เท้าวิกวิกรามาทิตย์เนี่ยสูญสิ้นไปแล้วแลเมื่ออุเชยินีไปในพันปีแต่เรื่องราวของพระองค์เนี่ยยังเล่าขานอยู่นะครับโดยเฉพาะเมื่อกษัตริย์โพชะได้พรางวิธียัญญะและก็อัญเชิญพระราชอาจนี้มานะค ร, ครในสมัยนั้นเนี่ยการกุศลยุทธพระราชาทั่วไปในโลกเนี่ยจะไม่มีผู้ใดเสมอด้วยพระเจ้าพระเจ้าวิกรามาจาริมารากะ ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของวิกลธรรมทิฏฐ์นะคะว่าในพระทัยของพระองค์เนี่ยไม่เคยมีข้อสงสัยเกิดขึ้นแม้แต่สักครั้งเดียวว่าคนคนนี้เป็นอื่นหรือคนคนนั้นเป็นพวกเราหรือคือความหวาดระแวง<ะ>บุคคลทั้งหลายเนี่ยไม่มีในทางตรงกันข้ามพระองค์ทรงยุติธรรมต่อทุกคนไม่เลือกชั้นวันนะนะคะไม่เรือกว่าพวกฉันพวกเธอนี่ของฉันนี่ของเธอครับพระองค์ ปฏิบัติเสมอเหมือนเหมือนกันหมดทุกคนจึงเป็นที่ตั้งแห่งคุณงามความดีและทรงได้รับคําสรรเสริญเจริญพรจากชาวโลกทุกผู้ทุกนามทุกหมู่ทุกเหล่าครับไม่แบ่งแยกว่าเป็นพวกใครครั้งหนึ่งพระราชาก็ใครกลัวนในพระทัยว่าโอ้สังสาระนี้สังขารเนี่ยนะคะคือความเสริมโดยแท้ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครแล้วก็เมื่อใดด้วยเหตุนี้ทรัพย์สินความมั่งคัง่ง จะมีประโยชน์อะไรเว้นแต่ว่าเขาจะใช้มันให้สมค่าหรือบริจาคให้แก่ผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นผู้ที่มีทรัพย์แต่ไม่ได้บริจาคให้แก่ผู้อื่นทรัพย์นั้นก็ไร้ประโยชน์ ค, คือไม่เกิดทางจิตใจคือเก็บก่อไม่แบ่งปันให้ใครเลยไม่แบ่งปันให้ใครเลยท่านก็เลยบอกว่าผู้ใดมีทรัพย์ควรจะมีใจยินดีที่จะใช้ใจ่ายมันออกไปให้เกิดประโยชน์อย่าให้มันไร้ค่า ดูเย่ยงฝูงพึ่งเธอมันตั้งหน้าตั้งตาสะสมน้ำหวานไวในรวงรังแทบล้มปดาตายแต่คนอื่นๆแท้ๆกลับเอาน้ำพึ่งไปกินสบายใจดํมริฉนั้นพระราชาทรงตั้งพระทัยจะประกอบยันยะพิธีใหญ่อันจะต้องเสียพระราชทรัพย์เป็นอันมากเพื่อทักศินาทานครับเปิดลงทานเลยสร้างโลกพิธีอันใหญ่แล้วลบไม่ได้สักแต่ว่าสร้างด้วยนะคะทาด้วยความวิจิตพิสดารรวบรวมวัสดุอันมีค่า เพื่อใช้ในพิธีจากนั้นองค์ก็เชิญเทพราศีเอ่อเทพฤษีคนทันยักษ์เรียกว่าเอ่อเชิญม า, มาหมดเล ย, ม, เลยมาประชุมกันหมดเลยครับแล้วก็โปรดให้พราหมณ์รอกษัตริย์ตลอดจนพระญาติวงทั้งปวงเข้าร่วมประชุมด้วยในโอกาสอันนี้พราหมณ์ผู้หนึ่งได้รับองค์การจากพระราชาให้ไปเชิญพระสมุทรผู้เป็นเจ้าแห่งทะเลมาด้วยอพอพราหมณ์ผู้นี้มาถึงฝั่งทะเลก็สังเวยต่อพระสมุทรด้วยเครื่องสังเวย16อย่าง นะคะอันนี้ก็จะเลยเป็นติดเป็นข้านิยมว่าเวลาพราหมณ์สังเวยต่อรพระปรมหรือว่าผู้เป็นเจ้าแห่งในแห่งหนึ่งเนี้ยจะต้องมีอาหารทั้งหมด16อย่างครับก็นอกจากนี้ก็จะมีสุขันธรสน า, น า, นาบุผามาลายตลอดจนสิ่งอื่นๆนะคะแล้วก็กล่าวองค์การว่าโอพระสมุทรผู้สรงฤทธิ์พระราชาวิกรมารกะรวิกรมารทิติละค่ะผู้ครองพิภพกาลังกระทา ม, มหายันยะพิธีเปิดโลงทาด้วย ด้วยเหตเชนนี้พระองค์จึงโปรดให้ข้ามาทูลเชิญพระองค์ไปร่วมพระราชพิธีกล่าวจบก็โปรยปลายดอกไม้ลงไปในทะเลเป็นเครื่องสกาะละแล้วยืนสงบนิ่งแต่ก็หาได้ปรากฏการตอบรับไม่ก็หันหลังกลับพรามก็ถือว่าทำหน้าที่ครบถ้วนแล้วค่ะกลับสู่มณฑลเลยครับพระสมุทรเทพในร่างจำแรงของพรามก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าแล้วก็ตัสกับพรามว่าเอาละพรามเราทราบแล้วว่าพระเจ้าวิกรรรมที่เนี่ยส่งท่านมาเป็นเกียรติ นายว่าเชิญเราเนี่เป็นเกตแ ก, ก่เรามากเลยนี่เป็นพยาแห่งมิตรภาพเป็นการให้ของขวัญอันมีค่าคือน้อมคือผูดง่นยละลึกถึงอ่ะคิดถึงนะมีอะไก็เชิญเป็นเครื่องหมายแห่งความเคารพในโอกาสอันเหมาะสมที่สุดเอาละเราก็เราก็มานะแต่เราก็จะมีภาระที่จะต้องทําต้องไหวหวานเรามีดวงแก้วสี่ดวงจะมอบให้พระภูเบดีเป็นของขวัญดวงแก้วทั้ง4ี่นี้ทรงคุณค่า อันหาเปรดไม่ได้แก้วดวงที่1เป็นแก้วสารพัดนึกจะอำนวยทรัพย์สินทุกอย่างแก่ผู้ขออันที่สองเกิดโภชนาหานานานะประการแล้วก็เครื่องดืม่มอันทรงค่าดังน้ำทิพย์แก้วดวงที่3อาจจะบัรดาให้เกิดแสนยากร อ, อันประกอบไว้ได้วยกองทัพสี่เหล่าที่เรียกว่าจัตุรงเกษตนาก็คือทัพช้างทัพมา้าทัพรถและเดินเทา้า ก็คือลาบม้าปืนช้างทังด้วยนะคะคดวงแก้วดวงที่สี่จะบรรดาให้เกิดเสื้อผ้าอาพรแล้วก็เครื่องประดับอันล้ำค่ารับเอาไปทั้งสี่ดวงนี่แหละโปรดกราบทูลพระองค์ว่านี่เป็นของขวัญจากเราพระสมุดด้วยความเคารพอันสุดซึง้งก็ต้องบอกว่านี่เป็นของขวัญของพญานาคนะคะแก้วสี่ดวงเพราะว่า พญานานี้จะถึงพร้อมด้วยกองทัพโภชนาะทรัพย์สินเสื้อผ้าอาพอรพราหมณ์ก็นำแก้วทั้งสี่ดวงเดินทางกลับกรุงอุชยินีนะคะแต่ว่าการเดินทางของสมัยก่อนไม่ใช่งนี้ไม่ใช่มีเครื่องบินนะคะคต้องเดินไปดังนั้นเนี่ยพระาชาก็เลยตังว่าพราหมณ์ท่านมาช้าไปแล้วปัตนีมหายันยะพิธีก็กระทำเสร็จไปแล้วและบรรดาทักษิณาทานอันจะพึงแก่พราหมณ์เราก็แจก จ, จ่ายไปจนหมด ทานนี่ยหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยเอา้าวเราไม่ทําให้ทัานสีน้ําใจหรอกเลือกดวงแก่นี่ไปดวงหนึง่งมอบให้เลยเอาเลือกไปดวงให้ท่านพราหม์เลือกเลยเครับพราม์ก็บอกว่าพอดีครับครอบครัวข้าพเจ้าเนี่ยมีบุคคลถึงสี่คนด้วยกัน ค, คือภรรยาลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็ตัวข้าพเจ้าครับคือไม่รู้ว่าใครต้องการอะไรเพราะนั้นขอไปปรึกษาก่อนนะคะพระราชาก็บอกตามใจเถอะ พรามกลับมาบ้านก็กล่าวกั บ, กบสมาชิกในครอบครัวให้เข้าใจในคุณสมบัติของแก้วแต่ละดวงและถ้าตกลงกันเป็นเอ ก, เอกสารว่าจะเลือกดวงไหนแล้วก็ก็จะกล่าวไปทูลให้พระราชาทรงทราบเป็นคนจะยุคจะยุคจะเลือกอะไรค่ะอืมแหมคิดโภชณาคิดแทนได้เลยโฆษณาเเครื่องดื่มส่วนแอนคงจะเป็นเครื่องประดับกล่องทับเดินได้ด้วยท้องอ่าแง่คือแต่ทีนี้การนี่น่าสนใจลูกชายก็บอกว่าอยากพิจารณาอย่างไรอ่าลูกชายก็บอกว่าอยากได้กองทับ ถ้าได้กองทัพมา จ, จากแก้วมณีแล้วเนี่ยนะสามารถไปตีแว่นแควและตั้งตัวเป็นพระราชาได้มีเมืองขึ้นทั้งหลายเป็นบริวารพระก็กล่าวทักท้วงลูกเอ้ยคนเราเนี่ยจะไปแสวงหาอาณาจักรอำนาจใดๆล่ ะ, ะเพราะว่าท่านย่อมกล่าวว่าอาณาจักรอำนาจที่ยิ่งใหญ่เนื้อแผ่นดินนะ่มันไม่มีความหมายหรอกมันนามาซึ่งความเดือดร้อนจริงเลยครับนะคะจงดูเยี่ยงพระราม โรคต้องถูกในประเทศเพราะแว่นแคว้นไม่ใช่หรือรู้จักเรื่องพระรามได้ใช่ไหมคะครับพระรามพระลักต้องออกเดินไปลดพระสัตรุดครองเมืองแทนนะคะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นความลําบากอย่างมากเหมือนกันํำความอพยพอดสูงกรุปแก่พระองค์เองและเราต้องทําสงครามมีความลําบากเดือดร้อนมากเจ้าชายปานดบทั้ง5เช่นเดียวกันความพินาศของราชสกุลวักริศนิก็ดี ความหายณะของพระนรก็ดีความเจ็บปวดของเจ้าชายพีสมะผู้ต้องนอนบนเตียงลูกสอนก็ดีมาถึงมหาพรารตัศเลยเนะอรื่ี่ไล่มาหมดเลยการอาวตารของพระวิษณุลงมาเป็นพรามเตี้ยก็ดีการประหารประหารของพระอรชุนผู้เลิอฝีมือก็ดีเกี่ยวกับอำนาจการแก่งแย่งจริงดีการทำร้ายซึ่งกันและกันความพินาศสิ้นสุดของทศกัณฐ์แห่งนคร ล, ลงกาเหล่านี้ไม่ใช่มี ผลเกี่ยวเนื่องกับราชอาณาจักรดอกหรือก็คืออยา อ, <ก>อำนาจทั้งหลายแหล่เนี่ยมันทําลายคนอลูกยังอยากจะได้อีกเหรอพ่อพ่อว่าแล้วพ่อว่าอย่างไงล่ะเออพ่อเห็นว่าเราควรเลือกเอาดมแก้วที่นําอำหนูซั์ดีกว่ายังไงทรัพย์ก็นํามาซึ่งสิ่งที่พึงปรารถนาและไม่นําความเดือดร้อนให้ใครัครบไม่นําความพินาศมาพินาศมานางพระมณีก็บอกว่าเอ แต่ข้าว่ามณีดวงไหนๆก็ไม่มีค่าเท่ากับมณีดวงที่ยังให้เกิดข้าวปลาอาหารทุกฤดูกา ร, รประกอบไปด้วยรถทั้ง6อันพึงปรารถนาเพราะอาหารอย่างเดียวเท่านั้นที่ยังชีวิตทุกชีวิตให้ดำรงอยู่ได้แล้วท่านก็กล่าวว่าพระพรมตาามาสร้างโลกก็กําหนดให้อาหารเป็นเครื่องอยังชีพของสัตว์โลกทั้งหลายคนฉลาดเนี่ยก็ไม่ควรละเมิดพรหมบัญญัติโดยคิดแสวงหาสิ่งอื่นอีกอาหารนี่เป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับใช่ไหมคุณยิ่งก็คิดถูกนะคะค ไฟลูกสะพ้ายก็บอกว่าลูกเห็นว่าเลือกดวงมณีที่ลวกดวงมณีที่นำมาซึ่งเสื้อผ้าอภรรเครื่องประดับดีกว่าอาจากไดให้ผมไปเป็นสมาชิกในนี้ด้วยอีกคนแล้วเนี่ยครับบอกบุคคลพึงประดับกายของตนได้ภูษนาพรและรัตนาพร อ, อันทรงคุณค่าสุดแต่กำลังตนจะหามาได้เพื่อยังความงามความเจริญอันสมบูรณ์ให้แก่ตนเองและก็ผู้ที่ทอดทัศนา นำมรความเจริญด้วยโชคลาภทั้งปวงใครได้เห็นก็ได้เชื่นใจครับก็มณีรัตนะและพัสตราพอนั้นเมื่อเพิ่มปูนความงามให้ปรากฏแจ้งในหมู่มิสหายเป็นเครื่องประดับตนให้เฉิดฉายในทุกฤดูการเทวดาก็แท้ซ้องสรรเสริญและเทวดาเองก็ยังเพลิดเพลินในการตกแต่งด้วยอภร์อันวิจิตมันหมายถึงว่าเราเนี่ยสมบูรณ์แล้วทุกประการแล้วก็ประดับด้วยมณีรัตนนี่แสดงว่ามันได้หมดบรรทุกอย่าง ต่างฝ่ายต่างก็ไม่คิดสี่คนก็สีดวงนะแตกแยกกันไปก็ทุ่มเทียนกันใหญ่เลยกันว่าอันนี้ดีกว่าเกิดการโตวาทีกันพรามก็เลยกลับเข้าไปวางกราบทุงเรื่องราวทั้งหมดให้แต่พระราชาท้าววิกรมาธิตได้ฟัง <ฮะ S 1> ทรงแย้มยิ้มแล้วก็ตรัสว่าโอ้เรื่องนี้เช่างเล็กน้อยซะนี่กะไรไม่ต้องไปทะเลาะ ก, กันหรอกเอาไปหมดนี่เลยให้เป็นสีดวงเลยค่ะ ใจทุกตาตัวที่สามาถามว่าพระองค์ได้สดับเรื่องราวที่ข้าพเจ้าทูลถวายนี้แล้วครับทรงมีคุณสมบัติที่จะกล้าสู่พระบรรลังของพระเจ้าวิกรธรรมทิศผู้ทรงคุณประเสริฐอีกหรือนี่ท่านกษัตริย์โพชะตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้แต่พระราชารู้แล้วว่าท่านทําได้ท่านก็เลยกล้าวดวงแก้วทั้งสี่ดวงนั้นถ้าเกิด บังเกิดขึ้นต่อหน้ากษัตริย์โพชะยังจะมอบให้ผู้อื่นไหมท่านให้ท่านให้นะครับนะคะท่านให้ผู้ที่จะเป็นใหญ่เนี่ยนะครับจะยุดจะให้ไหมคะผมอาจจะให้ไปสามเก็บไปหนึ่งนะครับท่าต้องยอมรับนะสิคะเราก็ต้องคิดเราถึงต้องฝึกฝนตัวเราเองไม่เพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นผู้เป็นใหญ่ถูกไหมคะครับนี่คือคุณสมบัติของผู้เป็นใหญ่ต้องให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกใครที่เป็นผู้จัดการเป็นอะไรต่อเป็น เป็นผู้บริหารเป็นผู้นําเขาอะนะครับผู้นำตั้งแต่สูงสุดจนกระทั่งผู้นำครอบครัวจนถึงเป็นผู้นำครอบครัวต้องให้ได้นะคะสข้อกองทัพอำนาจกองทัพอํานาจนะรองประธานอาหารมาก่อนเลยนะคะ่เครื่องประดับทรัพย์ทรัพย์นะคือพามเขาบอกเอาทรัพย์ทรัพย์ซื้อได้ทุกอย่างเมียเขาบอกว่าต้องอาหารนะโภชนาการลูกชายเนี่ยต้องการเอากองทัพเอากองทัพเอาอำนาจก็คืออํานาจทรัพย์ อาหารเครื่องประดับสรุปแล้วท่นผู้นำย่อมสละได้ซึ่งสี่ประการนี้ใช่ค่ะเพื่อความสุขของผู้อื่นอำนาจก็ยอก็ต้องสละได้ด้วยนะฮะเราก็ไปจะเป็นใหญ่ดี่ไเนี้ท่านสละได้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมค่ะถอยหนึ่งเก้านกว้างขึ้นน่าคิดนะคะตัวต่อไปตัวที่สี่ขึ้นตัวที่สี่นะคะตัวที่สี่นี่มาวันสุดีนะ ทั้งที่สาั้งที่สี่เลยสามกับ4นี่มาวันศุกร์พอจะก้าวขึ้นนะคะคุณชูุตุกตาตัวทสี่เทักท้วงก่อนคือเรื่องจะซับซ้อนและยากขึ้นเรื่อยๆการทําใจเราถึงตัวที่สามนี่เราแย่ก็หลังเลสเราจะสละไดขนาดไหนโอ้แต่ว่าท้าวิกรมาที่สละได้ฟังแล้วเราฮึ่เกิร์มคุณชยุตมีอะไรเอามา ที่แอนได้หมดได้กันพอแอนเป็ลองทุกวันนี้ก็เหลือแตเสื้อกลางเกงมานะอาจารย์ครับตัวที่สี่นะคะก็ห้ามกัะก็บอกพระองค์อย่เพิ่งเสด็จข้ามฟังก่อนท่านเท้าโปชะก้าวเท้าขึ้นไปละยังไม่เหยียบท่านรู้สึกว่าก้าวช้าลงไปและค่ะเพราะว่าเริ่มยากขึ้นล่ะเรื่องที่สี่นะคะก็เป็นเรื่องของท้าวพิกรมาธิพย์พระพันพระอาสนเนี่ย เป็นของนันทามีกรมรรทิตฐิที่มีคุณสมบัติที่พระอินทร์มองเห็นแล้วว่าครบใช่ไหมคะครับนี่เพียงตัวที่สี่ในพระคลครอุชยินีมีพราหมณ์ผู้หนึ่งเนี่ยอาศัยอยู่พราหมณ์คนนี้เก่งมากรอบรู้ในคัมภีร์พระเวทเวทางกษัตริย์ทุกสาขาแล้วก็ยังทรงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่แต่ว่าโชคร้ายเนี่ยไม่มีบุตรวันหนึง่งนางพราหมณีผู้เป็นภ ร, รยาก็กล่าวว่าท่านพี่มีคำนักปราศผู้เชี่ยวชาญ ในขนบธรรมเนียมว่าไว้ว่าผู้เป็นครือขัดเครือขัดก็คือเป็นผู้ผครอ ง, รองเล ย, นะเลยซึ่งในสมัยนั้นนะเขบอกว่าเป็นผู้ดํารงชีวิตในช่วงที่สองในศาสนาพราหมณ์ในช่วงแรกนี่เป็นผู้บริสุทธิ์นะก็ยังไม่แต่งงานช่วงที่2ก็เป็นเครือขับผู้ที่เป็นครือขัดเนี่ยไม่อาจไปสวรรค์ได้ตราบใดที่ยังไม่มีบุษษษษตรสืบตระกูลและด้วยเหตุนี้ไม่มีความหวังใดๆสําสหรับคนผู้ปรารถนาจะไปสวรรค์ ก็คือพรอมามเพราะอยากไปสวรรค์แต่เขาไรบุตรไรบุตรชายสวรรค์ย่อมปิดเพราะฉะนั้นหลังจากที่แลเห็นหน้าลูกนั่นแหละบุคคลถึงจะล่วงความเป็นวาณาปรัดได้วาณาปัดหมายถึงผู้ ด, ดำรงชีวิตในช่วงที่3คือหลังจากที่มีลูกแล้วก็จะละบ้านไปอยู่ป่านะคะคก็คือเป็น3ขั้นตอนนะคะก็ข่าวต่อไปก็บอกว่าพระจันทร์เนี่ยเป็นแสงแห่งดาตรีสูรยะเป็นแสงแห่งทิวา ศาสนาเป็นแสงแห่งโลกทั้งที่โลกทั้งสับลูกชายที่ดีก็จะเป็นแสงสว่างแห่งครอบครัวก็เปรียบเทียบลูกชายขนาดนั้นนะคะครับพิ่งถนัดเถิดว่าชื่อเสียงของช้างขึ้นอยู่กับพลังของมันครับของสระน้ําขึ้นอยู่กับกออุบลชื่อเสียงของสระน้ำเนี่ยต้องมีดอกไม้สวยชื่อเสียงของช้างอยู่ที่พลังครับของราตีขึ้นอยู่กับสมบูรณ์จันทร์คือดวงจันทร์เจิดจรัเขขนาดไหน ชื่อเสียงของสตรีขึ้นอยู่กับอุปนิสัยอันดีงามของม้าขึ้นอยู่กับฝีเท้าที่เร็วของบ้านขึ้นอยู่กับงานฉลองในทุกโอกาสคือเปิดเลี้ยงคนอยู่ตลอดเวลาของถ้อยคำขึ้นอยู่กับวยาก์พูดและสับแสงต้องดีวยาก์ถูกต้องของแม่น้าได้แก่หงรอยเป็นคู่คือแม่น้านั้นต้องใสสะอาดลมเย็นของที่ประชุมคือนักปราชญ์ ประชุมชนต้องมีนักปราศรุยของที่ประชุมหมายถึงว่าในขณะประชุมเราเนี่ยถ้าไม่มีนักปราศรุแล้วก็มกไม่เกิดประโยชน์ความหมายของครอบรครัวคือบุตรชายที่ดีครับของแผ่นดินคือผู้ปกครองที่ดีอชื่อเสียงของแผ่นดินเนี่ยนะคะคและของทั้งสามโลกคือดวงอาทิตย์ครับความเปรตก็ดีไหมคะคุณจะยุดิฟังแล้วขนลุกเลยนะนะคครับพามฟังก็ได้แต่ถอนใจนะบอกเออเจ้าผู้เป็นที่รักพูดตามก็พูดมันก็จริงนะแต่สินทรัพย์เนี่ย หามาได้ด้วยความอุตสาหะอันยิ่งคือสินทรัพย์เนี่ยเราหาได้ด้วยความอุตสาหะความรู้ก็ได้มาด้วยการเชื่อฟังครูชื่อเสียงก็ดีลูกก็ดีบุคคลจะได้มาก็ต้องด้วยความโปรดปรานของพระศิวะผู้เป็นเจ้าสูงสุดเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นครับแล้วแต่พระเจ้าจะทรงโปรด